วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบสองเพราะว่าวันเดือนที่ผ่านมาเป็นวันลอยกระทงเป็นวันร้อยกระทงเดือนสิบสองเพนอันนี้เป็นแรมแปดค่ำเดือนสิบสองและอีกไม่นานนี่ก็คงจะจบระบันพอเดือนดับแล้วก็ เดินขึ้นมาอีกนับเป็นปีใหม่หละเป็นฤดูการผ่านฤดูการวันนี้เป็นวันพระแต่ตามที่จริงหลวงพ่อว่านี่นะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยถึงจะมาวัดได้หรือไม่มาวัดได้หลวงพ่อว่าวันพระวันศีลเนี่ยถึงจะอยู่บ้านก็ควรจะสมาทานศีลห้าเป็นอย่างน้อย ว่ามาวัดได้ก็เ อ, อือรักษาศีลห้าเขาไม่ว่ากันพอผู้สูงอายุถ้าจะรักษาศีลนุโบสถธาตุขันก็คงจะไม่ไหวเหนื่อยหรือว่าตามไม่จริงทานอาหารตอนเที่ยงก็ยังได้ถ้าธาตุขันร่างกายมันไม่ไหวแต่ตามไม่จริงมันก็สุดแท้แต่เราฝึกมัอนกันนะถ้าเราฝึกทานอาหารเช้า เพียงพอแล้วก็คงจะอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันแต่ตามไม่จริงควรจะรักษาสินไม่สินห้าก็ต้องสินแปดควรจะได้วันพระแปดค่าสิบห้าค่าเตือนหนึ่งกับมีเพียงสี่วันนั้นเองรักษาสินห้ารักษาสินอุโบสถเพราะว่าเราเป็น พุทธมาม ก, กะอุบาศกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาควรจะทำตนให้เป็นตัวอย่างของหลูกของหลานไว้ในต่อไปภายภาคหน้าหลงพอว่านะถ้าว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมพาลูกหลานออกนอกรูกนอกทางเท่าแก่ชราเท่าไหร่ยิ่งพาลูกหลานกินเหล้าเมายา ออกไปนอกรูนอกทางลูกหลานเขาก็หากดท้าเกียนหาที่จะเดินตามแนวแถวไม่ได้ผู้เฒ่าผู้ผแกผู้สูงอายุพานาทางไปในทางที่ดีหลวงพ่อว่าลูกหลานเขาจะเดินไปตามแนวแถวที่ดีประเทศชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่นี้พวกเรามีแต่ตาหนิลูกหลานลูกหลานทาไม ไม่รู้เหมือนแต่ก่อนเด็กสอนยากทําไมเด็กจึงไม่ไปตามแถวตามแนวเหมือนแต่ก่อนอันนี้หลวงพ่อว่าสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างทําให้เด็กของพวกเราเนี่ยคุ้ยเขวควุ้ยเขวะและว้วเดินอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่รู้ว่าวงการไหนลูกหลานของพวกเราได้รับสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก สื่อในบ้านของเราแต่ถ้าหากว่าพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายนำในทางที่ดีพยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานไปในทางที่ดีอบรมสั่งสอนสิ่งนั้นถูกนะสิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ควรพูดสิ่งนี้ไม่ควรพูดให้รู้จักผูกวัยวุฒิคุณวุฒิให้เคารพอ่ะ ต่างคนต่างมีการสอนกันหลวงพ่อว่าลูกหลานของเราก็คงจะไปในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้เป็นผู้นาลูกหลานพารักษาศีลมาภาวนาไหว้พระสวดมนต์และพูดออกไปกับพยายามแนะนำสั่งสอนลูกหลานแต่ก็อย่างว่านะลูกหลานบางคู่บางคนบางกลุ่มบางครอบครัวก็ไม่ได้อบรมสั่งสอน แต่บางกลุ่มบางครอบครัวก็ที่พ่อแม่ได้แนะนำสั่งสอนก่อนเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้สูงอายุตามจริงการเชื่อฟังผู้สูงอายุไม่ใช่เด็กหัวอ่อนนะอย่าไปหาคิดว่าเด็กสอนยังไงเอาอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเด็กมีสัมมาคระวญเด็กที่มีปัญญารู้จาั ก, การาเทศะรู้จักการสถานที่บุคคลถ้าว่าเด็ก รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักกาลเทสามบุคคลเมื่อเข้าไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ควรทําอย่างไรเมื่อไปหาสมณะชีพามเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าวควรทําตัวอย่างไรเมื่อไปหาครูบาอาจารย์ควรทําตัวอย่างไรเมื่อไปห า, าวัยวุฒิคุณวุฒิหรือว่าหัวหน้างานราชการของเราควรทําอย่างไรถ้าว่านเด็กเรียนรู้สอนเด็กให้เรียนรู้ การเคารพหรือว่าการเข้าไปหาผู้ใหญ่การพบค่าสมาคมหลวงพ่อวานเป็นผลดีสำหรับลูกหลานของพวกเราไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็แข็งทื่อจนผู้ใหญ่รับไม่ได้มองเห็นแล้วไม่อยากจะเสียวนาด้วยไม่อยากจะพูดด้วยเหมือนกันแตอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะเอายังไงแต่ถึงยังไงก็เป็นชรัพยากรของชาติของเรานั่นแหละ เป็นชาอปยกรประเทศชาติของเราถึงยังไงก็ช่วยกันอบรมแนะนำสั่งสอนสรุปแล้วก็คือเนี่ยแหละอยากจะให้ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แกเป็นตัวอย่างของลูกของหลานถ้าผู้เฒ่าผู้แกเป็นตัวอย่างของลูกของหลานสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ควรจะทำอย่างกินเหล้าเมายาเป็นตัวอย่างของลูกของหลานอันนี้หลวงพ่อว่าผู้ที่เข้าวัดเขาว่า ที่มาอบรมจากหลวงพ่อเนี่ยนั่นแหละอย่างน้อยก็ให้เป็นตัวอย่างของลูกหลานเหลียญของพวกเราเอาไว้ก็จะเป็นผลดีเมื่อเราเป็นตัวอย่างเขาแล้วเราสอนเขาเขาก็เชื่อฟังนะอย่างยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กถ้าคนใดไปไหว้พระเข้าวัดรักษาศีลอย่างเนี้ยเขาก็ให้ความเคารพทั้งหมู่บ้าน เขาก็ให้ความนับถือไปที่ไหนเขาก็เล็กรุ่งลุงจานลุงจานไปเรื่อยเหมือนกันแตแปลว่าเป็นผู้นำชุมชนและสังคมสรุปแล้วก็คือให้มีศีลธรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างวันนี้ะพวกเราญาติโยมทุกท่านนะที่มารักษาศีลหลกพ่อว่าเป็นวันพระเล็กพันผ้าใหญ่ควรจะมารักษาศีลนะสมาทานศีลรักษาศีล อย่างน้อยก็ให้มีศีลห้าเอาไว้อันนี้คือเป็นผลดีในปัจจุบันผลดีในอนาคตเมื่อเราหนักแน่นอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเรามีความทุกข์ยากลาบากในจิตใจขึ้นมาเราระลึกถึงศีลถึงธรรมของเราใจของเราก็เบิกบานชุ่มชื่นเออเ อ, อ, อิ่มไม่ ว, ว้าวเวไม่ทุกข์ใจเพราะคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในจิตใจของเรา พอเป็นพอไประลึกถึงคุณงามความดีของเราก็อุ่นใจอันนี้หลวงพ่อว่าเมื่อเราสูงอายุเท่าแก่ชราอยู่ใกล้ฟังนั่งใกล้เหวเหวือนกันแ่แล้วต้องคิดต้องเตรียมไว้อย่างนี้อีกสักวันหนึ่งก็นั่นแหละเท่นี่ถึงวันสุดท้ายจุดจบของพวกเราเราก็ระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วก็จะเกือ้อกูลหนุน ใจของเราไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ควรจะรักษาศีลภาวนานะถ้าว่าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์มาแล้วตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไปถามท่านสิ อย่างหลวงพ่อเนี่ยเขเหมือนกันหลวงพ่อถึงจะไม่ถามหลวงพ่อเขาพูดให้ฟังอยู่แล้วเนี่ยพอหลวงพ่อเชื่อมัน่นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดอีกเพราะว่าที่ตัวเชื้อที่ทําให้เกิดอีกมันมีอยู่ก็คือใจนั่นแหะใจดวงนี่มันคิดไปพาไปไปในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นเทวดาบุตรเทวดาอินพรหม ไปเกิดเป็นมนุษย์มนาเป็นได้ทั้งนั้นน่ะเปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันถ้าทํากรรมไม่ดีไว้ขนาดจิตใจเศร้าหมองจิตใจเดือดร้อนจิตใจร้อนรุ่มในจิตในใจอันนั้นแปลว่าคิดในทางที่ไม่ดีทําในทางที่ไม่ดีพูดในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นทางว่าเราคิดดีพูดดีทดําดีใจของเราก็จะประสบความสุขความเย็นใจนะบุญกุศล จะเกือ้อกูลหนุนพวกเราด้วยอเนิสงสินอเนิสงทานอเนิสงภาวนาอย่างที่พวกเราประพฤติธปฏิบัติมาเนี่ยขอให้ทำให้สม่าเสมอนะทำให้สม่าเสมอทำไปเรื่อยๆอย่าให้ลุมหลุมดอนๆอนถึงจะไม่ได้มาวัดเราอยู่ในบ้านก็สมาทานสินเอาไว้ในใจเออวันนี้ภู้ฆ่ามันด้ไปวัดนะผู้ค่าจะรักษาสินห้าก็ตั้งจิตตั้งใจรักษาสินห้า บริสุทธิ์บริบูรณ์ในวันนั้นแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภ า, า, าวนานั่งภาวนานี่หลวงพ่อว่าควรจะทําให้สม่ําเสมอนะนะั่นแหะเพราะมันมีมเวลาว่างกลางคืนอย่างน้อยกว็วันละครั้งคืนละครั้งวันละครั้งก่อนนอนแล้วก็นั่งภาวนาใชตอนหัวค่าเสียงคู่คนรบกวนกับจอนสว่างาหามุมใดมุมหนึ่งนั่งภาวนาหนาที10นาทีย0่สนาที ทําให้จิตใจสบายๆทาจิตใจให้สงบาจากนั้นก็พิจารณาถึงความตายร่างกายสังขาร น, นี่อีกสักวันหนึ่งนะ อ, อย่าประมาทน้ใจนะอีกช่ววันหนึ่งนะพวกร่างกายนี่ก็คงจะแตกสลายาตายไปผู้ที่เกิดก่อนเราก็ตายไปมากต่อมากแล้วอย่างที่เราเห็นอีกสักวันหนึ่งก็คงจะมาถึงเราเพราะนั้นขอ ให้เรานะอย่าประมาทนะระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจึงเป็นภูมิม่ประมาทจากนั้นก็สั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยแล้วก็ให้ทานรักษาศีลไปเรื่อยนะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยบุญกุศลที่พวกเราเก็บหอมรอมริบไปนี่แหละทีละนิดทีละน้อยนะอจิตใจของเราจะสงบรลุมเย็นเป็นถูกนะอะถึงใครจะว่ายังไงใจของเราก็ยัง ยังยังรับได้อยู่เพราะงั้นยังจิตใจของเรายังชุ่มเย็นสบายสบายในใจพราะเราใจของเ ร, เรามีหลักเรามีหลักยึดหลักยึดก็คือหลักภาวนาของเรานี่แหละร ะ, ะลึกถึงมรณะนุสติอยู่ไว้อยู่เสมอเมื่อระลึกถึงมรณะนุสติแล้วก็ความประมาทมันก็ไม่มีเราก็พร้อมเตรียมพร้อมยึด กรรมฐานพุโทโธธรรมโมสัสงโฆสังสมบุญกุศลไว้ทีละนิดทีละน้อยสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่คิดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำนะจากนั้นจิตใจของเราก่อนเย็นสงบมีความสุขนะพนันหลวงพ่อว่าที่จะพูดเบื้องต้นว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะประมาทควรจะเตรียมพร้อม ควรจะรักษาศีลทุกวันพระถ้าเป็นไปได้นะถึงจะมาวัดหรือไม่ได้มาวัดก็ควรจะสมาทานศีลห้านั่นแหละเป็นพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ถ้ารักษาศีลหเป็นนิจศีลเฉลยก็ยิ่งดียิ่งดีใหญ่หเพราะศีลห้าของเราก็ไม่มีอะไรสําหรับผู้สูงอายุมีแต่เรื่องการฆ่าสัตว์นะบ้านนอกปานนาทุกวันนี้ก็การฆ่าสัตว์เราก็ไปซื้อในตลาด อะไรก็อร่อยกินนิดนิดหน่อยๆออพวกผักพวกยาอะไรก็กินให้มันจบๆไปแต่ละวันมันก็ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรถ้าเราวางแผนถูกนะจากนั้นอาทีนนาทานเราก็ไม่ขโมยของเขาอยแล้วบ้านนอกของเราก็ซื่อๆตรงๆอยู่แล้วกาเมะสุมิจสาจานกัไม่มีอยู่แล้วมุสาเนี่ยเออก็มีอยู่บ้างออโกหกออบางทีก็โกหกคิดสนุกบางบางทีก็โกหกมันแล้วๆไป อ, อ ก็มีอยู่บ้างแต่สุรานี่ก็เราก็รู้แล้วเออการดื่มสุราไม่เป็นผลดีครูบายอาจารย์แนะนําสั่งสอนเราก็ได้ฟังมาแล้วเราก็งดซนะมันก็เป็นสินห้าตนเองไม่ยุ่งยากอะไรจากนั้นจิตใจของเราจึงได้รับความสงบอย่างที่หลวงพ่อว่านะ่ยนานเท่านานเป็นที่ยอมรับของลูกของหลานอีกต่างหากนะเอาตอนนี้ไปรับพรนะท่านนี้อนุโมทนาให้พร